ทาครั้งที่สองหครั้งที่สามไม่ทราบมีอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงว่าผ้ารองของพระพิสุนั้ไม่ไม่เข้าใจครัข้อนีอข้อขอท่านอธิบายครับเกี่ยวกับผ้าปูนั่งของพระพิสุนั้นถ้าเอาตามขนาดที่พระวินัยแสดงไว้เนี่ยะต้องมีชายผ้าปูนั่งเนี่ยคลุมเตียงได้สบายเหมือนกันนะถ้าเอากําหนดตามที่พระวินัยแสดงไว้เนี่ยที่พระพิสุหลายรูปท่านพยายามตัดออกมาให้มีชายตามพระวินัยแสดงเป๊ะหมดเลยเนี่ยนะ เป็นผ้าคลุมเตียงที่มีสามแฉกก็จะออกมาในรูปแบบอย่างนั้นใหญ่เท่านั้นเลยถ้าสังเกตจากข้อความในพระวินยัยแสดงว่าพระพิสุทิ์สมัยก่อนนี่ตัวโ ต, วตวมากถ้าตัดจีวรตามขนาดจีวรของพระพุทธเจ้าดูถ้าจะคลุมกุฏิได้หลังใหญ่ขนาดนั้นผืนใหญ่มากเลยคืนหนึ่งเครื่างไม้เนี่ยคูณสามเท่ากันเครือพระพุทธเจ้าเครือพระสุคตนี่ใหญ่มาก ตอนในพระวินัยที่พูดถึงว่าถ้าผ้านิสีธนะที่เข้ากฎเกณฑ์แล้วถ้าไม่มีชายนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องตัดให้มีชายนี่ก็สนทนากันว่าถ้าเอาผ้าเหล่านั้นมาทําเป็นผ้าบริขารโจระเนี่ยแล้วเอามาปูนั่งได้ไหมแม่ที่ถาเป็นผ้านิสสีธนะแต่เอามาปูนั่งก็เหมือนกับเอาจีบวนเอาสวบมาปูนั่ง เ, เฉยๆเนี่ยได้ไหมอันนี้คือนักวินัยทอนที่ไม่ได้ค้นคว้าวินัยก็จะกล้าตอบทันทีเลย ถ้ามีข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็ไม่ตอบอย่างนี้หรอกคือในด้านปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยเนี่ยถ้าจะทําอะไรก็ให้มันเป็นไปตามนั้นไปเลยถ้าจะอธิษฐานเป็นผ้านิสีธนะก็ต้องทําให้มันเหมือนผ้านิสีธนะแต่ไม่ใช่หมายคำว่าผ้าที่ปูนั่งต้องนิสีธนะอย่างเดียวผ้าอย่างอื่นก็ปูรองนั่งได้ไม่ได้ห้ามอะไรเว้นแต่สังฆาติเขาไม่ให้ปูรองนั่งในบ้านถ้าเข้าบ้านไม่ให้นั่งทับสังฆาติในนั้นมี แต่ถ้าอย่างอื่นนี่รองนั่งก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้ายัางอยู่ในป่าเป็นต้นก็เอาสังขาริมาปูนอนก็ได้ปูนั่งก็ได้ปูนอนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนก่อนดับขันตรีนิพพานใช่ไหมก็พับสังขาริเป็นสีชัน้นแล้วก็ปูนอนก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาคือผ้าของพระพิสุตามพระวินัยเนี่ยในสมัยพุทธกาลที่ไม่มีโรงงานทอผ้าแบบสมัยนี้เนี่ยพระพิสุมีจํานวนเป็นแสนรูป อย่างพระพิสูจน์ในสมัยปรินิพพานเนี่ยมีพิสูจประมาณเจ็ดแสนรูปถามว่าพระพิสูจน์เจ็ดสนรูปเนี่ยหาผ้าที่ไหนมาใช้เพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชเข้าไปเยอะเนี่ยอาการดํารงครอบครัวการเลี้ยงชีวิตของคารวะจะลําบากมากขึ้นเพราะพวกหัวการค้าบวชหมดแลวพวกคนมีสติปัญญายพวกที่แรงงานทั้งหลายส่วนใหญ่นี่บวชหมดอย่างพระพิษุณีที่เก่งในการเย็บการทอท่านเหล่านั้นก็มาบวชหมดไม่ทอไม่อะไรแล้ว โดยรวมๆแล้วผ้าก็จะหายากขึ้นแล้วบางสมัยในยอย่างสมัยพระเจ้าอาโศกมีพระพิสุขเป็นล้านรูปพระพิสุขเป็นล้านรูปถามว่าจะต้องใช้ผ้าขนาดไหนจึงจะเพียงพองผ้าในสมัยนั้นๆเนี่ยจึงหายากมากโดยที่สุดแม้กระทั่งสมัยคุณลงบวชคุณลงเนี่ยอายุ ส, 60, สักหกสิบเศษตอนนี้ก็เจ็ดสิบตอนนั้นก็บอกว่าหาผ้ายากมากผ้าเนี่หายากจริงๆเลย ซึ่งมามีในยุคนี้ผ้ามากจริงๆเลยนะเป็นสมัยที่ผ้าเก็บเก่าจะได้เอาไปทิ้งได้ไหนจะทิ้งเลยมันก็น่าเกลียดก็เก็บให้มันเก่าสันหน่อยแล้วก็เอาไปทิ้งได้สมควรแก่เหตุกขว่างั้น <S <S คือเป็นสมัยที่ผ้าเยอะจริงๆอย่างของมาถ้าเก็บเอาไว้นะผ้าปลายนึงไหนจะเปิดร้านสังกพันได้แล้วมั้งเยอะจริงๆเฉลี่ยสองอาทิตย์ปลายหนึ่งเขาก็เอามาให้ครเขาก็นึกว่าเราขาดผ้า จริงพื้นเดียวมันใช้ตั้งหลายปีมันผูกสักเพียงผ้าสมัยใหม่ก็ใช้ทนทนมันก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าของมามีวิธีการเอาไปทำบุญหมดเกลี้ยงเลยนะทางไรกุติโล่งหมดเลยพวกผ้าในยุคโบราณนี่หายากมากแม้แต่ทุกวันนี้นะในหมู่คนจนทั้งหลายมีเสื้อผ้ากันคนละไม่กี่ตัวแล้อย่างคนอินเดียเนี่ยนะคนปริมาณคนมากขนาดนี้เนี่ย ถามว่ไร้ไฟมันควรจะกี่ไร่จริงจะพอใช้ผ้าโรงงานควรจะกี่โรงงานจึงจะพอใช้ผ้ารถยนต์อินเดียเนี่ยรถบรรทุกเป็นหมื่นคันยังวันทุกอาหารไม่พอจะพอกินกันเลยประชากรนี่มากขนาดนั้นใครตั้งโรงงานอะไรได้ที่เรียกว่าให้ทาน เ, เนี่ยโปรยมหาทานลงในอินเดียนีย่คงไม่เต็ม ง, ง่ายๆเพราะประชากรร่วมพันกับล้านคนยากคนจนก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านอยู่แล้วตั้งห้าร้อยล้านเนี่ย ห้ารอยล้านมนุษย์นะอิ่มหนึ่งกี่ล้านก็คูณเข้าไปแล้วกันถ้าเลี้ยงคนจนเนี่ยห้าร้อยล้านก็ตกมือละพันห้าร้อยล้านที่จะเลี้ยงให้เขาอิ่มได้ไหมมือละพันห้าร้อยล้านก็เลี้ยงไปต่อคนละสิบ้าบาทนะห้ารอยล้านคนหนึ่งมือเนี่ยมือละพันห้าร้อยล้านนั้นโน่นน่ะมีภูเขาทองอยู่เท่าๆดอยสุเทพสักสิบลูกอะนะจึงก็พอเลี้ยงประชากรนั้นได้นี่แค่ให้มีชีวิตยอยู่ได้นะ าาหานั่นและเครื่องนุ่งห่มอีกเครื่องยาอีกประชากรโลกนี่มากในยุคนี้ถือว่ามากแต่ในบรรดาประชากรมากเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเทียบกับอบายแล้วน้อยนะไม่เยอะเลยทีนี้ถ้าเทียบอบายเนี่ยสัตว์น้ําก็เยอะมากกว่าสัตว์บกเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นน้ํามีมากกว่าพื้นที่ที่เป็นบกสัตว์ในน้ําจึงมีหาประมาณไม่ได้มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าเอาสัตว์น้ําตัวใหญ่ แล้วก็เอาต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยมาตัดต้นใหญ่ๆเนี่ยถอนถอนถอนแล้วก็นับว่านี่ปริมาณตัวใหญ่แล้วก็ต้นไม้ต้นกระดังก็เอาสัตว์น้ําขนาดกลางต้นไม้ต้นเล็กๆเอาสัตว์ขนาดเล็กมาวัดนะต้นไม้บนบกไม่พอสัตว์ก็ยังเหลืออีกอยู่ดีนับไม่หมดนี่สัตว์ในน้ําปริมาณมากขนาดนั้นพื้นที่ของสัตว์น้ำหนึ่งตารางกิโลเมตรบรรจุสัตว์เนี่ยมากกว่าบนบกคือบนบกมันจะยืนบนหัวกันไม่ได้ใช่ไหม แต่ว่าสัตว์น้ํามันอยู่ซ้อน ๆ, ๆ, ๆกันได้มากพื้นที่กินพื้นที่อย่างหนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยโดยรอบบรรจุสัตว์นับเป็นล้านล้านตัวเลยมีประเภทชนิดตัวเล็กๆเชื่อไหมตัวเล็กขนาดนั้นก็มีครบขันห้ามีห้าขันเลยนะมีอายุตนาน่าหกเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันหกทวารเหมือนกันแต่ก็มีบ้างบางตัวที่พิการตาพิการหูพิการจมูกแต่ลิ้นก็ไม่พิการ กายก็ไม่พิการถ้าตัวไหนกายพิการหมดตายอย่างเดียวแ้วก็หมู่สัตว์เนี่ยที่มีปริมาณมากขนาดนี้ไล่ใหม่ว่าในเอกานิบาต ท, ที่กล่าวถึงว่าสัตว์น้ํานี่มีมากกว่าสัตว์บกทีนี้สัตว์บกนะบ้านนอกคอกนาทั้งหลายที่เป็นคนไม่ได้มีการศึกษาเนี่ยมากกว่าคนที่มีการศึกษาในบรรดาคนที่มีการศึกษาระดับหนึ่งคนที่อยู่ใน มัชิมะชนบทคือในสถานที่ที่เป็นที่สมควรแก่การฟังนะมีน้อยมากไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ซะส่วนใหญ่อย่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างยกกรุงเทพเราเลยประชากรที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะหนึ่งในหมื่นยังไม่ได้เลยหนึ่งในหมื่นคนนประชากรกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านเนี่ยถ้าศึกษาหนึ่งในหมื่นคนเนี่ยศึกษาธรรมะกี่คนหนึ่งในหมื่นจะได้คนกี่คน ก็ไม่กี่ร้อยคนคนที่ศึกษาธรรมะจริงๆในตัวกรุงเทพเนี่ยไม่กี่ร้อยคนก็หนึ่งในหมื่นคนทีนี้ในบรรดาหนึ่งในหมื่นคนหรือพันคนที่ศึกษาพอรู้เรื่องกี่คนศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะพอรู้เรื่องเข้าใจเลยแหละกี่คนแล้วในบรรดาคนรู้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยนะไปเจริญตามได้แค่ไหนผู้ที่เจริญตามนั้นแล้วบรรลุจะมีสักแค่ไหนค่อยๆลดน้อยถอยลงไป เมื่อลดน้อยถอยลงไปอย่างนี้แหลพระศาสนาจึงจึงหมดอย่างเมืองปาตลีบุตรถ้าทียบสมัยพระเจ้าอาโศกไม่น่าเชื่อว่าศาสนาจะหมดเพราะสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองมากตรงนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาพระราชามหากษัตริย์ทุ่มเทในการอุปถัมพระพิสุทธิ์รงพระไตรปิฎกมีการเรียนการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างกว้างขวางแต่ที่อไว้ตอนนี้ไม่มีวัดอยู่เลยในเมืองปาติรีบุตรที่กรรคต้ายังมีวัดชื่อวัดเบงกอนเนี่ยไง เป็นพระพิสุทิ์ชาวอินเดียนี่อยู่แต่ปาตลีบุตรไม่มีวัดวัดพุทธเนี่ยไม่มีไม่น่าเชื่อว่าไม่มีเลยแสดงว่าประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาในนี้จะมีหรือเปล่าในประชากรเมืองปาตลีบุตรที่เราเห็นเนี่ยลานตาไปหมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยถนนเส้นเดียวที่เราแค่ผ่านมาเนี่ยนะรถเต็มไปหมดคนเนี่ยอัดเหมือนตากระป๋องแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยสมมติว่ารถควรจะนั่งสักสี่สบมานั่งแปสิบอย่างเงี้ย คือแต่ละคันเนี่ยนั่งห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ไม่ใช่คันเดียวด้วยเยอะแยะไปหมดแล้วทั้งรถเครื่องทั้งรถจักรยานเนี่ยนะทั้งคนเดินสลับคร้าคร้ากันไปเสียงกดเตรสนั่นวันไว้ไปหมดเนี่ยมีในนั้นที่ได้ฟังธรรมเอาเย่าว่าฟังเลยนับถือเป็นชาวพุทธเนี่ยจะมีสักกี่คนน้อยมากผู้ที่เป็นชาวพุทธเองที่มีธรรมะอยู่ในใจมีสิกขาสามอยู่ในใจเนี่ยมีสักกี่คนหนอ หรือแม้ก็ทั่งเป็นชาวพุทธที่มีพระัตนะไตรนำหน้าข้าพเจ้าจากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมรส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ผู้ที่ตั้งใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะแม้กระทั่งจะถาม ค, คุณป้าสุรีด้วยซ้ำไปว่าเคยได้ยินบุคคลที่ตั้งเจตนารม์แบบนี้สักกี่คนในเมืองไทยเราเนี่ยนะ ตั้งว่าเขาจะไปทุกแห่งไปเพื่อนมัสการพระธาตุไปลลึกถึงพระรัตนตรัยไปสแสวงหาคุณของพระพุทธเจ้ามีน้อยนะมีน้อยนะน้อยจริงๆเลยนะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าไปที่ไหนมึ่งจะนมัสการพระพุทธเจ้าลลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีไม่ค่อยมากทั้งๆที่พระพุทธรูปเนี่ยเมืองไทยนี่เกลื่อนเมืองไทยนี่มีพระพุทธรูปมากที่สุดในโลกแต่ขนาดนั้นคนที่มีจิตเจตนาจะไปที่ไหนเนี่ย ตั้งใจว่าจะไปที่นี้จะได้นมัสการพระพุทธรูปที่นั่นที่นั่นจะได้ละลืกถึงพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ไม่กี่คนที่มีเจตนาลมตั้งจิตไปเพื่อนมัสการพระพุทธเจ้านมัสการพระพุทธเจ้ายากขนาดนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงตั้งใจเพื่อจะไปฟังธรรมตั้งใจเพื่อจะไปฟังธรรมก็น้อยลงไปถ้าคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าน้อยที่จะฟังธรรมก็จะน้อยลงตามไปอีกถ้าฟังธรรมน้อยเท่าไหร่ เขาก็ปฏิบัติธรรมน้อยเท่านั้นเพราะถ้าเขาไม่ฟังเขาจะไปปฏิบัติว่าอย่างไรอย่างอริยสัจเนี่ยเขาจะไปปฏิบัติอย่างไงกับอริยสัจชาติปิทุกขาชราภิทุกขาปริญญากิจอันนี้ก็จะไม่มีการละตันหาก็มีไม่ได้นิโรธไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาไม่เคยคิดเลยเพราะมันตรงกันข้ามกับความคิดของเขาทุกเรื่อง ปกติหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยากมีตาแล้วก็อยากหาอะไรก็ได้มาบำเรอตาให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมอยากให้มีหูต่อไปจะได้หาวัสดมุมาบํารงบําเรอหูให้มากที่สุดอยากมีจมูกแล้วก็สรรหาอะไรที่มาบำเรอจมูกมีลิ้นก็สรรหาอะไรที่มาไว้บำเรอลิ้นมีร่างกายก็สแสวงหาอะไรสารพัดมาเพื่อบำเรอกาย แล้วก็พยายามค้นคิดหาข้อมูลทั่วๆไปเนี่ยเพื่อส่งเสริมใจมนั้หมูสัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นผู้เจริญตาเจริญหูเจริญจมูกเจริญลิ้นเจริญกายและเจริญใจพวกนี้เรียกว่าเจริญวัตตซึ่งตรงกันข้ามกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเจริญวั ต, ตะหมายคก็ว่าต้องการจะดักตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตรงกันข้ามหมดนั้นมูสัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัย น้อมไปหาคุณพระรัตนตายจึงน้อยมากน้อยจริงๆ จ, งจึงกล้าพูดได้เลยว่าศาสนาเนี่ยตอนนี้อันประธานไปเก้าสิบเปอร์เซนต์กว่าแล้วเพราะต่อไปนี้ก็จะเหลือน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ไปเรื่อยๆขนาดรุ่นเราเนะี่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายศึกษาธรรมะเข้าใจขนาดนี้นะเราก็มานึกเนรุ่นหลานเรานะรุ่นหลานเราจะไปทีงไหนกันเนาะทำไมอย่างนั้นเพราะว่าวัตถุ ก, กามมันท่วมทับมาก วัตถุกลามมันท่วมทับแล้วในโลกของวัตถุกลามเนี่ยมันใช้ความคิดไม่ได้น้อยเลยกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเนี่ยแล้วก็ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยมันต้องมีหนี้สินเข้ามาใช่ไหมมันบีบให้ต้องเร่งทําให้ทันเพราะมันมีหนี้สินเป็นตัวบังคับค่าใช้จ่ายมันบอกเลยตัวเลขขึ้นมาเป็นประจำวันเลยถามว่าจะมานั่งสบายสบๆเย็ยยนเฉมเลยได้ไหม อะไรจะเดือดร้อนเท่าคนมีหนี้ไม่มีคนมีหนี้คือคนที่ร้อนที่สุดเมื่อร้อนขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่มีสมาธิเลยเมื่อไม่มีสมาธิเขาจะรู้เห็นตามเป็นจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดสรรหาแต่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาคิดหาแต่อภิชาอย่างเดียวอะไรมั่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาก็สรรหาคิดหาวัตถุเหล่านั้นที่เรียกว่าปิยรูปสารูป แต่วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาก็ไม่มากเพราะวัสดุในโลกนี้มันปริมาณมันจํากัดข้าวของในโลกนี้มันจํากัดเมื่อมันจํากัดเข้าก็แย่งกันก็สึกชิงตามก็จะตามมาถ้าเป็นโบราณก็ใช้สงครามอะไรนะสงครามแบบปานาติบาก ต, ตอนนี้ก็สงครามอธินาทานสงครามอธินนาทานสงครามทางมูสาวาตก็กลายเป็นอย่างนั้นตายนั้นหมูสสัตว์นี้จิตก็เศร้ามองมากขึ้นมากขึ้น ไม่สมควรจะเป็นภาชนะรองรับพระธรรมที่บริสุทธิ์ได้เพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ไรลราขีไม่มีความเศร้าหมองเป็นพระธรรมที่ไม่เจือด้วยราคาเป็นพระธรรมที่ไม่เจือด้วยโทสะเป็นพระธรรมที่ไม่เจือด้วยโมห oh ะเมื่อพระธรรมบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ภาชนะทั้งหลายเศร้าหมองเนี่ยจะใส่พระธรรมได้เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเศร้ามองเข้าถ้าเขามาเกี่ยวข้องกับพระธรรมเมื่อไหร่ก็จะบวกราคะเข้าไปเมื่อมูสัตทั้งหลายปราถนาวัตถุ ก, กามนักอ น, นะแกมานับถือฉันก็แล้วกันฉันจะพาให้แกสมบูรณ์ด้วยวัตถุกรรมคตินักเบื่อในพระพุทธศาสนาบางพวกมีความคิดแบบนั้นก็เลยทํายังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยเพียบพร้อมด้วยวัตถุกรรมก็คีดหาเรียกว่าเล่นแร่แปราธาตุโดยสารพัดชนิด เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยวัตถุกรรมเนี่ยมันทำยังไงจะให้เขาบริบูรณ์ด้วยวัตถุกรรมก็สรรหาที่จะประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆขึ้นมาทั้งหลักธรรมทั้งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อให้เขาสมบูรณ์พูนสุขบริบูรณ์ไปด้วยวัตถุกรรมก็เป็นที่มาของสัจธรรมปฏิรูปถ้าหากว่าทางโลกนะชาวโลกการปฏิรูปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมชาวโลกเลยนะเขาถือว่าการปฏิรูปเป็นสิ่งที่ดี เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการสร้างความเจริญขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นแต่ความเป็นธรรมอันดีของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วถ้าใครปฏิรูปเสียหายเท่านั้นยิ่งปฏิรูปมากยิ่งเสียหายมากเพราะถือว่าเป็นของดีที่สุดแล้วไม่จาเป็นต้องปฏิรูปอะไรไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรสักอย่างหน้าที่ของสาวกก็คือใส่ใจตามปฏิบัติตาม ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจทําตามมีหน้าที่อยู่เท่านั้นจริงๆเพราะคําสอนทั้งหมดไม่มีอะไรในกํำ ม, มือของพระพุทธเจ้าที่รองไม่ปล่อยออกมาไม่เปิดเผยออกมาไม่มีเลยทีนี้พอเข้าใจผิดขึ้นก็เลยมาปฏิรูปพอเริ่มปฏิรูปพระธรรมเท่าไร่ความเสียหายก็เกิดขึ้นเท่านั้นอันที่จริงการเริ่มปฏิรูปพระธรรมเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่สมัย สังขยาณาครั้งที่สองเมื่อพอสอนหนึ่งร้อยเริ่มมีการปฏิรูปมาเรื่อยๆการปฏิรูปทีหนึ่งคือความคิดตัวเองบวกกับคําสอนมันจะได้รับที่อันใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งสมมติว่าเหมือน ม, มีก๋วยเตี๋ยวอยู่ชามหนึ่งนะถ้าก๋วยเตี๋ยวชามนี้ถ้าราดน้ําพริกตาแดงลงไปนะจะได้ก๋วยเตี๋ยวอีกรสหนึ่งชนิดใหม่ก๋วยเตี๋ยวชามเดิมนั่นแหละปรุงตามเก่านี่นแหละแล้วก็ราดน้าพริกแมงดาวไปก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวอีกชิ้นใหม่ก๋วยเตี๋ยวสูเดิมนี่นแหละ เอาน้ำพริกนมใส่เข้ามาก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวอีกรสชาติใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้นแต่ละคนเนี่ยเมื่อมีทิฏฐิเป็นของตัวเองก็เอามาบวกกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพอบวกเข้ามาก็เลยได้ได้สูตรใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆที่มาของสารพัดนิกายแต่ว่าไอ้สูตรใหม่ที่ตัวเองปรุงมามันไม่ได้มีคุณค่าแบบน้ําพริกเหล่าที่กล่าวไปมันเอายาพิษไปผสมไปผสมกับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แปลายแปลามาก็เลยกล่าวเป็นความพระพุทธเจ้าหมดยาพิษมันก็มีกําลังขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉั้นมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่คิดตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเขาคิดตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทําที่สุดแห่งทุกข์ขอมาอยัางไงก็เชื่ออย่างนี้ร้อยเปอร์ซ็นต์เลยพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าถ้าคิดตามอย่างเดียวเนี่ยทําที่สุดแห่งวัตถุทุกได้ขอให้มีใจตามที่พระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยอย่างที่ ปิงคีย์พรามเนี่ยท่านบอกว่าก็พระพุทธเจ้าท่านจะมุสาวาทเราไปทําอะไรท่านจะหลอกเราเพื่ออะไรเพื่อลาบสการะหรือก็ท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไรถ้าท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิท่านสการะมากไปนั้นด้วยซ้ําไปเพื่อลตถู ก, กามหรือก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพราะขุมทองของท่านเนี่ยนะปากทองเนี่ยเป็นสิบหกกิโลเมตรอยู่แล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะบอ่อทองของท่านเนี่ยกว้างยาวเป็นสิบหกกิโลเมตรเนี่ย แล้วลิกท่ไหร่ยิ่งก็มีบ่อน้ํามันอีกท่านก็ไม่ต้องการทีนี้ท่านเป็นผู้ที่เห็นอารมณ์แม้กระทั่งอารมณ์ที่เป็นทิพย์อย่าว่าอารมณ์ของมนุษย์เลยวัตถุที่เป็นของที่พระองค์ยังไม่ปรารถนาแล้วถ้าทราองจะมมสาวาดเราเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อะไรสมมติถ้าเกิดท่านจะมุสาวาดมั้นจึงไม่มีเหตุผลโดยตการทั้งปวงที่ท่านจะมมสาวาดคุณสจิณพูดยังไงนะสมเด็จพระมหากรุณาใชห สมเด็จพระมหากรุณาคือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นภาษาไทยเนี่ยสมเด็จแปลว่ากระสับพระมหากรุณาก็คือบางสู่ในแบบมีพระกรุณาดุจห่วงมหันตนกคือมีกรุณาเนี่ยกว้างใหญ่ดุจทะเลกว้างจริงๆเพราะ อ, องค์เนี่ยมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์เนี่ยคือพระ อ, องค์มองเห็นเราอย่าว่าแค่กระดูกเลยจนถึงจริตนิสัยเลยล่ะมองตลอดวัฏฏะที่ยาวนานมาแก ค, คิดอะไรมาบ้างแกทําอะไรมาบ้าง อีกล้านชาติอีกล้านกลับต่อไปข้างหน้าเนี่ยเจ้าจะเป็นยังไงพองมองเห็นหมดแนละ้วสำนวนว่ามองเห็นก็เราว่าเห็นเราโดยที่เราไม่เห็นพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลตาดีใช่ไหมเมื่อพงมองเราพัดพงมองเห็นตลอดให้เราตาบอดถึงเราอยู่กับตัวเองก็มองตัวเองไม่เห็นเพราะเราตัวตาบอดเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเองเลยใครมองเห็นตัวเองตามเป็นจริงบ้างนะมน้อยนัก เช่นใครบ้างที่ตามเห็นตัวเองว่าจักขู่ไม่เที่ยงนยีเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหน้าเบื่อหน่ายน้าคลายกำหนัดแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความดับสละคืนเนี่ยนะทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่กับตัวจริงๆไงแต่ว่าน้อยจริงๆมันแสด ง, ง, ง, ง, ง, งว่าเราไม่เคยรู้จักตัวเองสักเท่าไหร่แม้แต่ความคิดทั้งหลายที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราก็ไม่เคยรู้จักมันสักเท่าไหร่แต่ว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นเราเนี่ยทะลุโปร่ปงโดยประการทั้งปวง อันข้อแนะนำที่พระ อ, องค์แนะนำเราเนี่ยจึงเป็นคําแนะนําเพื่อประโยชน์แก่เราไม่ได้เพื่อประโยชน์แก่พระ อ, องค์เลยแม้แต่นิดเดียวก็ยังนึกนึกนะว่านี่ถ้าไม่มีพระมหากรุณาที่คุณคงจะเป็นเช่นกับพระประเจกพระประเจกนะห่อไปให้เขาไหว้แล้วก็ให้เขาใส่บาตรแค่เนี้ยท่านทําอยู่เท่านั้ น, น, นจริงๆเพราะท่านไม่สอนมีอยู่สูตรหนึ่งมั้งที่ในโสนะชาดกใช่ไหมโสนะชาดกเขาบอกว่าพูดมากก็เหมือนธาตุนึกว่างั้นนะ ความคิดท่านว่าถ้าสอนคนอื่นมากแล้วพูดให้คนอื่นฟังถ้าเขาไม่ฟังนะเขาไม่สนใจเออเรานี่มันทาดเข้ามาจากไหนเนี่ยทําไมต้องไป็นงอเข้าขนาดนั้นแต่เอาแล้วพูดหน่อยก็พอและ้ะอย่างเงี้ยนั่งก็ไปแล้วคือกรุณาท่านไม่มากไม่ใช่ท่านไม่มีท่านมีอยู่แต่ไม่มากพอที่จะตามโอวาสสั่งสอนเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ท่าสาวกขั้งหลายท่าสาวีบุตรเนี่ยพอเจอปัญหาเรื่องการว่ายยากสอนยากท่านจะไม่เอาละ พระนหากระสตะก็เหมือนกันท่านก็เริ่มไม่เอาล้วถ้าดูในกระสตะสังยุตภาษรารีบุตรก็ในจารุมะสูตรเป็นต้นซึ่งจะต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ปราศจากกรุณาโดยประการทั้งปวงจะเหตุผลใดก็ตามเขาจะว่ายากสอนยากจะอะไรก็ตามความกรุณาของพระองค์ไม่มีลดลงเลยแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้สมัย สมัยไหนควรสงเคราะห์สมัยไหนไม่ควรสงเคราะห์สมัยไหนควรสอนและควรสอนเรื่องอะไรพรวกนี้เป็นผู้รู้สมัยเขีวกาลันยูบุคคลเป็นบุคคลที่รู้การเป็นอย่างยิ่งนั้นคำว่าสงเคราะห์ก็ไม่ได้แปลว่าต้องครุกคลีตีโมงไม่ได้จําเป็นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือหาหาทํำยังไงที่เขาจะได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นคือการสงเคราะห์อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าหากว่าเราเข้าใจพระพุทธคุณมากเท่าไหร่เนี่ยนะ การศึกษาพระธรรมของเราเนี่ยเชื่อเลยว่ายิ่งศึกษายิ่งมีความสุขยิ่งศึกษายิ่งสบายใจทําไมจะไม่สบายใจเพราะรู้ว่าท่านทําทุกอย่างเพื่อเราท่านทําให้เราเนี่ยนะสมมติว่าเราสังเกตดูนะถ้ามีคนที่มาคอยจัดแจงให้เราเราสบายใจเลยใช่ไหมอย่างแค่มาธรรมดาเนี่ยมีคนเขียนเอ่อพาสปอร์ตดูเลยเรื่องจัดห้องเรื่องวีซ่าเรื่องสารภาพอย่างสบายใจไปตัางเยอะเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าปลอดภยัยสบายแล้ว ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีประโยชน์กําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปทั้งหมดแล้วจัดแจงให้เราทั้งหลายเป็นไปกับประโยชน์แล้วเราจะดีใจสักแค่ไหนเรามองเห็นพระองค์ด้วยสายตาที่เป็นมิตรจริงๆมีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าเธอทั้งหลายอย่าร้องเรียกเราโดยความเป็นศัตรูเลยจงร้องเรียกเราโดยความเป็นมิตรเธอผู้ที่ร้องเรียกพระองค์โดยความเป็นศัตรูคือผู้ที่ตั้งใจล่วงละเมิดคําสอนของพระองค์เรียกว่า ร้องเรียกพระองค์โดยความเป็นศัตรูแต่ถ้าร้องเรียกพระองค์โดยความเป็นนิสก็คือตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความบริบูรณ์อย่างแท้จริงซึ่งต่างจากคําสอนของเดียร์ธีนิคนทั้งหลายคําสอนของเดียร์ธีนิคนทั้งหลายเนี่ยนะมันเหมือนกับมีผ้าอยู่แค่คลืบเดียวเนี่ยถ้าเอาผ้าคลืบเดียวจะมาทําผ้านุ่งทํายังไง จะต้องหาอะไรมาตะมาป ต, ติดปตะต่อใช่ไหมจึงจะพอนุ่มได้ถ้าจะทําผ้าห่มน่ะมีผ้าอยู่เครื่งเดียวทายังไงจะพอห่มก็ต้องเอาอย่างอื่นมาตะเข้าไปจึงจะพอห่มฉันใดลทัทธิของาศาสนาอื่นเหมือนกันลทัทธิเดียร์ธีก็เหมือนกันแม้แต่าศาสนาที่กําลังดังกล้องโลกในยุคนี้เนี่ยนะเป็นการป ต, ติดปตะต่อขึ้นทั้งนั้นเลยเป็นการตั้งบัญญัติตั้งกฎเกณฑ์มาใหม่ๆเรื่อยเป็นคัมภีรุ่นเก่าคัมภีรุ่นใหม่อะไรออกมาใหม่ๆเรื่อยๆ แต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริบูรณ์ตามเดิมคือเป็นศัตรูธรรมที่บริบูรณ์จริงๆคําสอนที่พระองค์แสดงไว้บริบูรณ์ทั้ง8ปดหมื่นสี่พันระธรรมขันนี่สมบูรณ์บริบูรณ์มากพระเจ้าโศกเนี่ยระลึกถึงคุณของพระธรรมที่บริบูรณ์เต็มเปี่ยมหนึ่งธรรมขันท่านบูชาด้วยวิหารหนึ่งหลังก็คือบูชาด้วยวัดหนึ่งวัดเพนท่านสร้างวัดเนี่ยแปดหมื่นสี่พันวัดเพื่อ บ, บูชาพระธรรมขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าพระธรรมขันธ์หนึ่งธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เพราะฉะนั้นเขาตั้งใจบูชาเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลุ่มปุถุชนที่ศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าหนึ่งก็คือพระเจ้าชาติสตรูลที่เมืองราชครึกที่เราจะไปวันพรุ่งนี้เย็นๆพระเจ้าชาติสตรูนี้เป็นปุถุชนที่มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนิดทเทระไม่เปลี่ยนแปลง พระเจ้าอาโศกก็เหมือนกันเป็นบุคคลที่ศรัทธาขนาดนั้นกลัหาปุถุชนที่จะศรัทธาขนาดนี้เนี่ยพูดแบบคนไม่ใช่พระพิสุเนี่ยนะไม่ใช่พระพิสุพูดถึงการว่าญาติโยมเนี่ยที่จะมีศรัทธาขนาดนี้หายากมากท่านทุ่มเททุกอย่างก็ตามตำนานบางแห่งกล่าวถึงว่าพระเจ้าอาโศกเนี่ยสนใจต้นโพมากกว่ามเหสีจนมเหสีนิริศยามากเลยว่าเอ๊ต้นโพมันดียังไง ก็เลยให้คนเนี่ยต้มน้ำร้อนแต่ราดโคนโพต้นโพก็ตายเนี่ยต้นโพที่พุทธคยาเนี่ยต้นรุ่นแรกเนี่ยถูกราดน้ำร้อนตายพระ้าโศกเสียใจมากก็ได้มีเหตุจนต้นโพต้นไมานี่ยงอกออกมาจากที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง